176. ผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นต้องครบถ้วนความจริงสัจจะเพราะสามารถทำความมีสมุทัยในโลกนั้นนนโลกสมุทัยให้เป็นความดับนิโรธได้หมดสิ้นเกลี้ยงเด็ดขาดจนกระทั่งสำเร็จเป็นความดับในโลกโลกนิโรธ ด้วยการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงปรมัติสัจจ์จึงสามารถเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทางความมีโลกและความไม่มีโลกได้ในขณะที่ตนก็อยู่กับโลกนั่นเองผู้ปฏิบัติจึงต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ 64-75 ถึง ไม่เช่นนั้นไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสมมุติสัจดังนั้นการปฏิบัติที่เป็นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ 77-89 เถึงเมื่อปฏิบัติไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยนี่แหละ ผู้ปฏิบัติจึงเป็นผู้ไม่รู้อาชาะตังไม่เห็นอาปัสตังเป็นความแสหาเป็นความดิ้นโรนของคนมีตัณหาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ 51-63 อถึงอยู่นั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปในข้อ90ว่าในบรรดาทิฏฐิ62นั้น ผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธจะมีการถูกต้องถูกต้องแล้วด้วยผัสษายศนะทั้งหกย่อมสเสวยเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะ โสกะปริเทวะโทมนันตุปายาตเป็นกิริยาลูกโซ่หรืออิทัปปัจจยตาอยู่แน่นอนจึงต่างก็จมอยู่ในข่ายทิ่ถี่ิทั้งนั้นชานี้แลคือวัตตะคือโลกคือความวนเวียนอยู่ในโลกีที่อยู่กับสุกสทุกๆุ เพราะลาบยศสันเสริญสุขด้วยกามและอัตตาไม่มีทางออกจากโลกียภพจึงไม่มีโลกุตระภูมิตลอดกาลละนาน